เพืพากันตั้งใจฟังอุบายธรรมะนั่นเป็นเครื่องประดับสติปัญญาให้แก่กล้าขึ้นไปอง์สมเด็จพระพูมิพระภาคเจ้าได้ทรงแนะนำพุทธ สบริษัททั้งหลายให้ทำตนเป็นเหมือนม้าอาชาไนทางอาชาไนแล้วก็คนอาชาไนทางก็ดีมากก็ดีคนก็ดีถ้าทำตนเป็นคนว่าง่ายสอนง่าย เป็นผู้มีสติสัมปชัญญะรู้ตัวอยู่เสมอคอยระมัดระวังความผิดพลาดมันจะเกิดขึ้นอยู่เสมอไปคอยระมัดระวังหน้าที่การงานที่ตนกระทำอยู่ มาให้มันบกพร่องหน้าที่ของตนมีอย่างไรก็คอยระมัดระวังเอาใจจดจ่ออยู่เสมอเพื่อทำหน้าที่อนนั้นให้สมบูรณ์ให้ได้ผลเต็มเม็ดเต็มหน่วยผู้ใดบำเพ็ญตนเป็นอย่างนี้ได้ ผู้นั้นน่ะท่านเรียกว่าคนอาชะนายเป็นผู้ว่าง่ายสอนง่ายไม่เป็นคนว่ายากสอนอยากธรรมดาว่ามาอาชะนายคนอาชะนายนี่แนะนำสั่งสอนไม่มากเท่าไหรนะ่นักมันก็รู้ได้แล้วตื่นตัว คอยระมัดระวังเรื่องใดที่ท่านห้ามไว้ไม่ให้ทำก็ไม่ทำจริงรักษาความจริงอ น, นั้นไว้เรื่องใดที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ทำก็พยายามทำตามเรื่องนั้น ให้เต็มความสามารถไม่ล่วงเกินส่วนที่ทรงห้ามแล้วก็ขยันมันเพียนทำสิ่งที่ทรงอนุญาตอันนี้นะว่าเป็นเรื่องของคนอาชนายมาอาชนายเพราะฉะนั้นทุกคนเรา นับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึงทีละลึกเช่นนั้นแล้วก็ควรทําตนให้เป็นคนอาชนา이เหมือนอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนําไม่ควรที่จะทําตนเป็นคนว่ายากสอนอยากทําเหมือนว่าไม่รู้ไม่ชี้ ความผิดความถูกอะไรไม่รู้จักความเสื่อมความเจริญในชีวิตของตนเองว่าตนเองนั้นการกระทำของตนเองนั้นจะเป็นไปเพื่อความเจริญก็ไม่รู้อย่างนี้จะเป็นไปเพื่อความเสื่อมก็ไม่รู้อันนั้น ท่านเรียกว่าไม่ใช่คนอาชนายมาอาชนายช่างอาชานายผู้เป็นอาชนายนี่มันต้องรู้หนทางแห่งความเสื่อมแห่งชีวิตของตนรู้หนทางแห่งความเจริญแห่งชีวิตของตนแล้วดำเนินไปตามทางแห่งความเจริญ แห่งชีวิตนั้นก็สมควรจะเป็นอย่างนั้นแหละพวกเราเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีพระปัญญาปรีชาเฉลียวฉลาดมากดังนั้นเราผู้เป็นบริษัทของพระองค์ก็สมควรที่จะฝึกตน ให้เกิดปัญญาอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นในตนของตนให้ได้ไม่เช่นแล้วเฉะนั้นแล้วก็ไม่ชื่อว่าเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าหรือว่าเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าทุกคนต้องตะเกียกตะกาย ไม่ควรที่จะไปย่อท้อในการฝึกตนในการอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นในตนปัญญาจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการฟังการศึกษาไต่ถามข้อข้องใจอะไรต่อท่านผู้รู้ทั้งหลายบ่อยๆ แล้วก็การท่องการจำตามตำรับตำราอันใดที่เป็นข้อวัดปฏิบัติอันจะเป็นทางดำเนินออกจากทุกข์ก็ท่องเอาจำเอาหลักวิชานั้นๆไว้ให้ได้นี่ไม่ควรทอดทุระเรื่องการท่องจำตำรับตำรา ไม่ว่าคฤหัสถ์ไม่ว่านักบวชก็จำเป็นทั้งนั้นแหละจะไปอ้างว่าแต่ไม่มีเวลาอย่างนี้นะั่นมันเป็นความไม่เอาไหนของกิจใจต่างหากแต่ความจริงนะเวลามีอยู่ถมไปอย่างผู้ครองเรือนอย่างนี้นะไม่ใช่ว่าจะไปทำงาน การอาชีพอยูตลอด24ชั่วโมงไม่มีไม่มีใครทำกันเลยก็มีเวลาพักผ่อนอยู่ถมไปเป็นนักบวชยิ่งมีโอกาสมากในการประกอบศาสนากิจต่างๆนี่ถ้าหากว่าไม่ประมาทแล้วนะถ้าประมาทแล้วเป็นอะไรก็ไม่ได้ความเลย อยู่ไปทำยถากรรมเฉยๆขาดสติสัมปชัญญะความระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ได้ยินได้ฟังมาจากครูบาอาจารย์และอย่างนี้ก็ทอดทุระเสียไม่ระลึกถึงไม่น้อมคำสอนนั้นเข้ามาสู่จิตใจของตนมาสอนใจของตน ให้ทำหน้าที่ที่ตนจะพึ่งกระทาให้เจริญก้าวหน้าต่อไปบุคคลขาดสติสมบัติช่นนี้ดังกล่าวมานี่แหละท่านเรียกว่าเป็นคนประมาทจะเป็นคนอาชนายไปไม่ได้เลยแม้จะเกิดพบใดชาติใดไป ก็จะมีชีวิตตกต่ำเป็นคนไม่มีสติปัญญาเป็นคนไม่มียศถาบรรดาศักไม่มีเกียรติยศอะไรเลยดูแต่คนในโลกนี้กันแล้วกันนะคนบางคนบางพวกทำตนเป็นคนไม่รู้ไม่ชี้อะไรกับสังคม กับความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติบ้านเมืองบ้างความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาไม่สนใจสนใจแต่ไปทำมาหาเรื่องที่ส่วนตัวเท่านั้นแหละสนใจอยู่แต่กับเรื่อง ที่ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไรนักคนเหล่านี้มักจะสนใจไปในอบบายามุก ค, คือเหตุเครื่องชิพหายสี่อย่างสนใจในการบำเพ็ญตนเป็นนักเลงเจ้าชูมากไปได้ความรักความใคร่สนใจบำเพ็ญตนเป็นนักเลงสุ ราชอบดื่มสุรายาเมากัญชาฟินเฮโรอีนมุนีตลอดถึงบุรีวันละสองสองสามสอง <c oughs> แล้วก็ชอบบำเพ็ญตนเป็นนักเรลงเล่นการพนัน เพราะว่าเล่นการมนานี่ไม่ได้ออกกำลังมากนะักไม่ได้กำผลทนแดดเล่นกันอยู่ในร่มเผื่อว่ารวยก็สบายไปแต่ถ้าไม่รวยก็หน้าแห้งแล้วคนบางย่ำพวกก็ไปชอบคบคนชั่วเป็นมิตร ไม่ชอบเลยแหละคนดีไม่เข้าใกล้เลยนักปราบบัณฑิตผู้มีความรู้ความฉลาดมีความประพฤตีงามเห็นเข้าแล้วกลัวซ้ำไม่เข้าใกล้เลยเหยียดตัวเองเหยียดย้มตัวเองลงไปว่าเป็นผู้มีศักดิ์อันตำ่ำมีเกียรติอันต่ำนี่เป็นอย่างนี้นะสาเหตุที่ คนจะเป็นนักปราชบัณฑิตไม่ได้สักชาติเลยก็เพราะว่าตีตนลงไปให้เป็นคนต่ำต้อยไม่สนใจอยากเป็นผู้มีวิชาความรู้ความฉลาดแม้เป็นพระภิกษุสามเณรก็เหมือนกันบางรูปบางร่างไม่เข้าใกล้ครูบาอาจารย์เลย อ, อยู่ห่างๆไปอย่างนั้นแหละไม่ได้ไปถามข้อข้องใจข้อสงสัยอะไรเลยนั่นแสดงว่าเป็นผู้ไม่มีความคิดไม่ได้คิดค้นหาเหตุ้าผลอะไรต่ออะไรในทางธรรมทางวินยัยเพราะฉะนั้นจึงไม่มีข้อกังขาสงสัยอะไร แต่แท้ที่จริงแล้วสิ่งที่ตนไม่รู้นะั้มีอยู่มากมายแต่เมื่อตนไม่คิดมันก็ไม่ไม่รู้เรื่องว่าตนไม่รู้อะไรผู้จะรู้ตัวไว้ตนไม่รู้อะไรก็เพราะคิดดำริตริตรองไปถึงคําสอนของผู้เผยเจ้าหรือว่ามิฉะนั้นก็น้อมคําสอนของผู้เผยเจ้าเข้ามาใน ร่างกายอันนี้มาพิจารณาเมื่อพิจารณาไปบางอย่างมันก็ไม่เข้าใจก็จำเอาไว้เรื่องใดที่ตนไม่เข้าใจจำไว้ให้ดีเมื่อได้พบนักปราชาก็เรียนถามนักปรัชนา น, นั้นให้ท่านได้อธิบายให้ฟังในเรื่องที่ตนไม่เข้าใจ เรื่องอย่างนี้ไม่ว่าเครืองอัดไม่ว่านักวดก็ต้องประกอบเหมือนกันหมด <c oughs> ไม่ใช่ว่าอยู่ไปตามยถากรรมอย่างนั้นแล้วมันจะดีไปเองไม่แล้วถ้าเช่นนั้นแล้วพระศาสดาจะทรงตรัสไว้หรือว่าคนเราทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่ว บุคคลจะได้ดีได้ชั่วมันขึ้นอยู่กับการกระทาทั้งนั้นเลยนี่ในพุทธศาสนานี่นะไม่ได้ขึ้นอยู่กับ ก, บการอ้อนวอนบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆในสากลโลกให้มาช่วยตนให้พ้นจากความเสื่อมให้ถึงซึ่งความเจริญอะไรต่ออะไรมานี้พระศา ส, าสดาทรงตัดสรู้แจ้งแล้ว ว่าไม่มีทางที่จะเป็นไปได้ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรที่จะมาบันดาลให้อะไรให้ใครต่อใครได้มีความสุขความเจริญโดยที่ตนไม่ต้องทำงานกลําพลทนแดดอะไรเลยอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้โกงเจ้ารู้แจ้งเลยอย่างนี้เลย การที่บุคคลมาภาพเพียนพยายามละความชั่วทำความดีอะไรพวกนี้นะมันก็ระวนแต่การกระทำทั้งนั้นเลยเช่นอย่างว่าเมื่อใจมันคิดอยากโลภอยากได้ของผ่ดมาเป็นของตนโดยทางทุจริตอย่างนี้ก็ห้ามไมา่ให้คิดหาอุบายมาสอนจิตไม่ให้มันอยากได้ สมบัติผู้อื่นในทางทุจริตดังนั้นเพราะมันเป็นทางแห่งความเสื่อมของชีวิตมันเป็นหนทางเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนก็มีอวายสอนจิตใจเข้าไปอย่างนี้เมื่อใจมันรู้แจ้งตามปัญญาแล้วมันก็ไม่โลภไม่เล่งไม่เพ่งเล็งไปในสมบัติของผู้อื่น จนแสวงหามาได้ด้วยน้ำพักลำแรงโดยทางสุจริตอย่างไรก็ยินดีบริโภคใชจสอยอยู่เท่านั้นจะเป็นของหยาบหรือของละเอียดอะไรก็แล้วแต่แหละว่าจะได้มาโดยทางสุจริตแล้วก็ทำความพอใจยินดีบริโภคใชจสอยไปไม่ต้องเดือดร้อน อันนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้ทาตามศาสนธรรมคําสอนดังนั้นเท่าที่บรรยายมานี่มันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าการละกิเลสก็เกี่ยวเ ก, กเ่การกระทาทั้งนั้นเลยถ้าไม่มีการกระทาไม่มีอุบายแอบคายอย่างนี้กิเลสมันจะไม่เบาบางไปจา ก, กจิตใจเลย แม้ความโกรธก็เหมือนกันความหลงก็เหมือนกันเหมือนกันท้งนั้นบรรดากิเลส ท, ทั้งหลายมันจะหมดไปเบาวางไปได้ก็ล้วนแต่การกระทําทั้งนั้นเช่นบุคคลเมื่อไม่เจริญเมตตากรุณาให้เกิดขึ้นอย่างนี้นะแล้วความโกรธมันจะเบาวางได้อย่างไรอะ่ะเพราะความโกรธนี่บุคคลผู้โกรธใครตรอตร่อใครขึ้นมาแล้วนะ อันซึ่งแม่จะคิดให้อภัยหรือจะคิดสงเคราะห์เกื้อกูลคนนั้นในขนาดนั้ น, นไม่มีทางเลยก็เพราะมันขาดเมตตาการุณานี้เองนะมันถึงได้กโกรธกันคนเรานะถ้าว่ายังมีเมตตาปรารถนาให้ตนเองและผู้อื่นเป็นสุขโดยทั่วกัน ไม่เลือกว่าผู้เป็นมิตรไม่เลือกว่าผู้เป็นศัตรูกันมาเราก็ตั้งความปรารถนาลงไว้อย่างนั้นผู้ใดตั้งความปรารถนาลงไว้อย่างว่านี่นะมันก็บรรเทาเสียได้ซึ่งความโกรธนี่หมู่นี้มันก็ล้วนแต่าการกระทำทั้งนั้นแหละกระทำในใจนุ่นทำอุบายแอยบคายอยู่ในใจนุ่น แต่ว่าคนส่วนมากนะมันไม่ทำกันนะนึว่าตนใจดีอยู่แล้วก็ออมไม่มีอะไรตนก็ไม่ไปโกรธใครหรอกใจมันดีอยู่หัวนะยิงโยใจมันดีแต่เวลาที่ไม่มีเหตุร้ายมากระทบเมื่อมีเวลามีเหตุร้ายมากระทบเขานั่นแหละมันจะลุกฮือก็เลยกิเลส ที่เป็นเชื้อสายอย่างความโกรธอยู่ภายในใจนั่นเพราะว่ากิเลสนี่ไม่ใช่มันกำเริบอยู่ตลอดเวลามันจะกำเริบขึ้นต่อเมื่อมีเหตุภายนอกสมทกเข้ามานั่นมันยังค่อยลุกขึ้นเหมือนอย่างไฟหมกเท่าอยู่นี่แหละมันก็ไม่มีฤทธิเดชอะไรได้ไฟหมกเท่าอยู่มัน ไม่มีควันก็ไม่มีต่อเมื่อใดมีใครเอาญ้าแห้งไปโยนเข้าไปมันได้เชื้อแล้วมันก็เกิดเป็นควันขึ้นทีแรกหนักเข้าก็เกิดเป็นปเปลวไฟขึ้นมาลุกโชนช่วงขึ้นอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละกิเลส ท, ที่มันนอนเนื่องอยู่ในจิตใจของคนเราเนี่ย มันก็เหมือนเหมือนกับไฟหมกเท่าอยู่นั่นเองอ่าไฟหมกเท่ามันมันยังไม่มีเชื้อเพิ่มเติมอีกอันกิเลสอันมันหมักรองอยู่ในใจคนเราก็เช่นนั่นแหละเมื่อมันยังไม่มีเหตุภายนอกมากระทบมันก็นอนนิ่งไปก่อนเหมือนกับไม่มีกิเลสเนี่ยอันบอมีเหตุภายนอกกระทบเข้ามา มันก็จึงค่อยลุกฮือขึ้นดังนั้นนะทุกคนนะให้พึ่งพากันตื่นตัวความเป็นผู้ตื่นตัวรู้ตัวฝึกขัดให้รู้ตัวเสมอฝึกขัดวินิจฉัยตัวเองเสมอไปอันนี้เราเรียกว่าเป็นอุบายกาจัดความหลงออกไป า ก, ก จ, จิตใจนี่มันก็ร่วงแต่การกระทำทั้งนั้นเลยให้สังเกตดูสิไม่ทำทางกายก็ทำอุบายแอบคลายภายใน จ, ใจิตใจเเป็นอย่างนั้นบางสิ่งอย่างก็ทำทางกายเช่นอย่างทำบุญให้ทานหมนี่มันก็ต้องขวันขวายทำการทำงาน ทำนาทาสวนทาการค้าขายได้เงินได้ทองข้าของมาแล้วก็ถึงแบ่งกินบ้างแบ่งให้ทานบ้างได้ไปถ้าไม่ทาการทำงานไม่ได้วัตถุดังกล่าวมานั้นก็จะเอาอะไรมาให้ทานเนี่ยนั่นแหละบางการทาทานแบบนี้นะ่ะก็ต้องอาศัยร่างกายนี่แหละการกระทาด้วยกาย แต่การทำทานอีกชนิดหนึ่งที่ท่านเรียกว่าอาภัยทานนั่นอันนั้นทำทางใจสอนใจของตนให้อภัยต่อผู้ที่มาล่วงเกินตนเสมอเสมอไปเป็นอย่างนั้นเรียกว่าอาภัยทานล้วสอนใจให้ยอมให้อภัยแก่ผู้อื่นล่วงหน้าไว้เลยนะ ไม่ใช่ว่าเขามากระทบกระทั่งเราแล้วก็จึงค่อยนึกถึงอภัยทานไม่ทันเวลานั้นนะความโกรธมันเกิดขึ้นก่อนเราต้องเจริญไปแต่เวลาจิตใจเป็นปกติยังไม่มีเหตุอะไรมากระทบนี่พิจารณาไปจเจริญไปว่าการที่เราต้องให้อภัยแก่ผู้ผิดนี่ มีเหตุผลอย่างไรนี่คุณนิชัยดูเหตุผลไม่ยากลําบากอะไรอ่ะแต่ถ้าเราไม่ยอมให้อภัยแก่เขาก็ต้องทะเลาะวิวาทกันแต่ก่อนเป็นคนดีกันอยู่นี่นะแต่เมื่อกระทบกรนทั่งกันเข้าแล้วฝ่ายหนึ่งก็ไม่ยอมให้อภัยกันก็เลยแตกสามัคคีกันไปเลยแตกจากพิษจากสหายแตกจาก เพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์กันมาแต่ก่อนก็มองหน้ากันไม่ติดนี่เป็นโทษที่เราเห็นได้ในปัจจุบันนี้เองน ะ, ะแล้วถ้ารุนแรงกว่านั้นก็เป็นเหตุให้ประหัดประหารกันลงไปทำลายล่างผลานชีวิตของกันและกันให้ย่อยยับลงอีก่วยหนึ่งโมนีนะ โทษที่ไม่ได้ให้อภัยเยทานไปแก่บุคคลผู้ร่วงเกินตนนะมันมีโทษมากมายกลายกองผู้มีปัญญาเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันก็กําหนดไว้เลยเรื่องอย่างนี้นะ่ะกําหนดไว้ในใจนั่นพอเมื่อเวลามีเหตุอันชั่วร้ายกระทบกระทั่งเข้ามามันก็ระลึกถึงอภัยทานนั่นได้ ก็ห้ามจิตตัวเองได้ไม่ให้โกรธตอบบุคคลผู้โกรธตอนอย่างนี้นะการเจริญเมตตากรุณาธรรมให้เกิดให้มีขึ้นแรงกล้าขึ้นมาในจิตใจเสมอแล้วก็มันจะเป็นเครื่องบรรเทาเสียซึ่งความโกรธนี่มันเกี่ยวเก่การกระทําแลวนี่ก็ดีนะ การกำจัดความโกรธออกจากจิตใจนี่ถ้าเราเราไม่กระทำในใจอย่างว่านี่ความโกรธมันก็ไม่เบาบางออกไปจากจิตใจได้เลยก็มิมีแต่มันจะพอกคูณให้หนาแน่นขึ้นไปเรื่อยๆให้พึ่งพากันคิดดูให้ดีแม้ความหลงก็เหมือนกันนะ ถ้าเราไม่ฝึกสติสมัมปชัญญะให้แก่กล้าขึ้นในตนเสมอยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาเดี๋ยวซ้ายแลขวาอะไรต่ออะไรหมูนี้นะก็มีสติสมัมปชัญญะระลึกได้รู้ตัวอยู่เสมอว่าในขณะนี้เราทำอย่างนั้นเราพูดอย่างนั้นอยู่ เรารู้ตัวว่าเราทำอย่างนั้นพูดอย่างนั้นไม่ผิดเป็นศีลเป็นธรรมเป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นนี่กาหนดรู้พร้อมไปเลยถ้าถ้ามันจะพลาดท่าไปทำผิดพูดผิดคิดผิดมันก็รู้ตัวได้ว่าถ้าจะทำอย่างนั้นพูดอย่างนั้นมันผิดแน่นอนอย่างนี้นะมันก็งดเป็น ไม่ทำไม่พูดอย่างนั้นต่อไปผู้นั้นก็เลยไม่ค่อยมีความผิดพลาดในชีวิตการกระทาการงานต่างๆทั้งทา ง, ทางโลกและทางธรรมก็ไม่ค่อยผิดพลาดเลยครือว่าไม่ไม่ค่อยตกไปในทางชั่วไม่ค่อยตกไปในทางบาปอากุศล คนที่มีสติสัมปชัญญะร ะ, ะรลึกถึงทางผิดทางถูกได้อยู่เป็นอย่างนั้นการที่เราจะระลึกได้ก็เพราะว่ามันวิจาร์ดูเรื่องบาปเรื่องบุญคุณโทษบมนี้นะบ่อยๆเราน้อมเอามาวิจารจนเกิดความรู้ความเข้าใจภายในใจ น, นั้นเจีมแจ้งขึ้นมาเลย เมื่อมันรู้อย่างนี้มันก็เก็บเอาความรู้เหล่านี้ไว้ในใจฮะนะพอให้เข้าใจมันก็รวบรวมมาไว้สะสมเอาไว้ความรู้ที่ตนได้กรันกรองดีแล้วว่าเป็นความรู้ความเห็นที่ถูกต้องเลยมันมันก็เก็บเอาไว้ได้นะให้เข้าใจวิชาอันใดความรู้อันใด ถ้าว่าเราไม่ได้เอามากรบคิดไม่ได้ไม่ได้มาพิจารณาเหตุผลให้มันแจ่มแจ้งขึ้นในใจก่อนแล้วอย่างนี้มันจะไม่ได้เก็บเอาไว้ในใจเลยมันก็เลือนหายไปอย่างนั้นนะให้เข้าใจเพราะฉะนั้นนะ่ะคนเรามันถึงได้ประมาทอยู่บ่อยๆเผลอตัวแล้วก็ประมาทแล้วบบบนี้นะ ตนทำผิดพูดผิดอยู่ไม่รู้ตัวอะไรแม้คนอื่นจะตักเตือนนี่ไม่เอาไม่ยอมเอาตามแถมมันยังไปโกรธคนที่เขาตักเตือนตนนั้นอีกซ้ำปานนั่นแหละคนเราเนะี่ยเมื่อมันหลงมันเมามาแล้วมันมันไม่รู้่ะทางผิดแต่งชีวิตก็ไม่รู้เลย และยังยึดถือเอาความชั่วนั้นไว้อย่างเหนียวแน่นใครจะตักเตือนก็ไม่ยอมฟังอันนี้แหละเพราะฉะนั้นขอให้พากันพิจารณาใครควรดูให้ดีเท่าที่แนะนำมานี่เรียกว่าแนะนำในเพื่อให้ตื่นตัวกันทำตัวให้เป็นม้าอาช า, นาัน